พระโคดมพโคดมพระพุทธเจา้าพระโคตมะโ ค, ตมะโคตมะโคดในยุคสมัยนั้นสาริบุธเป็นทางด้านขวาโมกคลาเป็นทางด้านซ้ายอันนี้ก็คื อ, อคือความพยากรของพระพุทธเจา้าองค์นั้นาจากนั้นท่านก็เวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารตอนจะมาถึงชาตินี้เนี่ย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 พ bert, ระษารลบุตรไอ้พระอานนเนี่ยเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นลูกน้องชายของพ่อของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุโธนีพระเจ้าจุโธธนะเนี่ยคือเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าสุโกธนโธโตธนะอันนั้นเป็นน้องชายของพระเจ้าจุโธทนนะพระอานนเนี่ยเป็นลูกน้องชายของพระเจ้าจุโธธนะเอ่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 พระสงฆ์หลายกรกลาบทูลถามพระพุทธยาวกรรมอันไหนหนอพระเจ้าขา่าพระโมคขลาธรรมจึงใหญห่หลวงนักจนถึงกับถูกฆ่าอย่างนี้พระโองค์บอกว่าโมกคลาฆ่าพ่อกับแม่ของท่านออทำอนันตริยกรรมหามาา้ามาทุกขาฆ่ามารดาบิตทุกขาฆ่าบิดาจากนั้นพระโมคขลาจึงมาชาตินี้กรรมตอนนั้นให้ผลยังไม่หมดจงึงถูกถูกฆ่า